ปฏิบัติข้อหลักโดยย่อก็คือไตรสิกขาอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาโดยปกตินั่นทั้งสามข้อนี้จะต้องมีอยู่ในบุคคลทุกๆคนในการกระทำอะไรทุกๆอย่างเพราะว่าศีลนั้น คือความสัมรวมความสัมรวมกายสัมรวมวาจาสัมรวมใจสมาธินั่นคือความตั้งจิตมั่นปัญญานั่นคือความรู้รอบคอบทั้งสามนี้ต้องมีในการงานทุกอย่างหรือในกรรมทุกอย่างที่ทุกทุกคนกระทำไม่ว่า จะเป็นทางดีหรือว่าทางชั่วไม่ดีในทางดีนั่นเช่นในการเล่าเรียนศึกษาในการประกอบการงานทุกอย่างอันเป็นกิจที่พึงทำก็จะต้องมีความสํารว์กายวาจาใจเพื่อศึกษาเล่าเรียนเพื่อทำกิจที่ควรทำนั่น ต้องมีความตั้งใจจะทำตั้งใจอยู่ในกิจที่พึงทำนั่นและจะต้องมีความรู้ในการทำกิจที่พึงทำนั่นจึงสาเร็จเป็นการเรียนการศึกษาเป็นการงานที่พึงกระทำได้แม้ในการทำความชั่วเช่นจะทำโจรกรรม ก็จะต้องมีความสำรวมกายวาจาใจในการที่จะกระทาจะต้องมีความตั้งใจมั่นในการที่กระทาจะต้องมีปัญญาคือความรู้ว่าจะทำอย่างไรในโจรกรรมนั้นดะฉะนั้นลักษณะที่เรียกวศีล ส, สมาธิปัญญานี้คือลักษณะที่เป็นความสำรวม ลักษณะที่เป็นความตั้งใจและลักษณะที่เป็นความรู้จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของทุกคนและมีอยู่เป็นกลางๆจะทำดีก็นำไปใช้จะทำชั่วก็นำไปใช้แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมะสั่งสอนเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ เป็นธรรมชาติธรรมดาของคนนี้เองให้เป็นไปในทางที่ดีงามคือให้ใช้ความสำรวมกายวาจาใจเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนตนในผู้อื่นให้เดือดร้อนยึงทรงบัญญัติพระวินัยเป็นข้อสำหรับปฏิบัติทำการสำรวมระวังนั้นดังเช่นทรงบัญญัติพระวินัยไว้ห้าข้อ อันเรียกว่าสิกขาบทอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือพระวินัยบัญญัติมาตรานหนึ่งมาตรานหนึ่งเทียบกับกฎหมายเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเว้นจากความมุ่งรผิดในการมเว้นจากพูดเท็จหลอกลวงเว้นจากน้ําเมาคือสุราเมรัยเป็นฐานแห่งความประมาทเป็นบัญญัติห้าข้อ นี่คือวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับให้ปฏิบัติแลนะเมื่อปฏิบัติในพระวินัยห้าข้อนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติในศีลห้ามีความส้ารวมกายวาจาใจเพื่อปฏิบัติในวินัยห้าข้อนี้ก็เป็นศีลห้าเนี่ยตรัสสอนให้ตั้งจิตไว้มั่นคง ในฐานที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อนน้อมจิตไปในทางที่ดีก็ทรงแสดงคำสอนเกี่ยวกับสมถกรรมฐานกรรมฐานเมื อ, อูบายสงบใจเช่นตรัสสอนในพิจารณากายนี้เอาเฉพาะที่ตามองเห็นคือผมคนในฝันหนังให้รู้จักธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ โดยอันที่จริงนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่งดงามโดยธรรมชาติธรรมดาจึงต้องมีการชําระให้สะอาดมีการตกแต่งให้งดงามเป็อยู่เสมอแต่แม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะชําระให้สะอาดหรือจะตกแต่งกันให้งดงามเรื่อยไปได้ ความไม่สะอาด จ, จะต้องปรากฏอยู่ทุกวันทุกเวลาและความไม่งดกามก็ปรากฏอยู่ทุกวันทุกเวลาแหนพิจารณาเพื่อเป็นอุบายสำหรับระ ง, งับใจอยากกิเลสกองราคะคือความติดใจยินดีนินยมชมชื่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ และนอกจากนี้ยังได้ตรัสสอนกรรมฐานสำหรับระรับนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นในใจคือกิเลสเรื่องสองมองที่บังเกิดขึ้นในใจสำหรับข้ออื่นอีกดยตรัสสอนให้เจริญเมตตาเพื่อสงบโทสะพยาบาทสอนให้ ทำอาโลกาสัญญาคือความทำานสคัญหมายว่าสว่างกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันก็สว่างอยู่กลางคืนก็ให้สว่างแปล ว, ว่าทําสัญญาอยู่ในใจถึงความสว่างให้สว่างอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นเครื่องสงบ ทีนมิตะความงุงงุนเคลิบเคลิ้มจตัดสอนให้ทํากรรมฐานที่รวมใจเข้ามาเป็นหนึ่งคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวเช่นอาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกรวมใจเข้ามากำหนดดูลมหายใจของตนเองที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ ให้ใจเข้าก็ให้รู้ให้ใจออกก็ให้รู้ให้จิตรวมอยู่รู้อยู่จี่ลมให้ใจเพียงจุดเดียวเป็นเครื่องสงบรำงับความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจและตรัสสอนให้เจริญธา ต, ตุกรรมฐานคือแยกธาตุกายนี้ที่เป็นก้อนกายของทุกๆุกคนเอง ว่าประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสี่หรือว่าธาตุหาเติมอากาศคือช่องว่างเรียกว่าอากาศสถาดัดโดยพิจารณาแยกโดยสรุปเมื่อส่วนที่แข็งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เป็นปฐวีธาตุ ต ด, ดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอันมีอยู่ในกายนี้ก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นส่วนที่ร้อนอันมีอยู่ในกายนี้ก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวอันมีอยู่ในกายนี้ ก็เป็นวายโยธาธาตุลมส่วนที่เป็นช่องว่างต่างๆอันมีอยู่ในกายนี้ก็เป็นอากาศสาธาธาตุอากาศโดยมากนั้นจัดสอนให้พิจารณาแยกกายนี้เป็นาธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแต่ในบางแห่งจึงทรงเติมอากาศสาธาตุคือช่องว่างเพราะว่าช่องว่างนั้น เมื่อเป็นช่องว่างก็ไม่มีอะไรกำหนดอยู่ในความว่างกำหนดได้แต่ขอบเขตของความว่างแต่ว่าสำหรับธาตุดินน้าไฟลมทั้งสี่ข้างตนนั้นเป็นวัตถุที่กาหนดได้แต่แม้เช่นนั้นภายในร่างกายอันนี้ที่ประกอบค้อนในธาตุสีที่เป็นวัตถุนั้นก็ไม่ใช่เป็นแท่งทึบ แต่มีช่องว่างที่โปร่งอยู่ทั่วสรรพรางกายทั่วทุกขุมขนช่องว่างดังกล่าวนี้เรียกว่าอากาศสัาธคือช่องว่างซึ่งมีอยู่เป็นอันมากนักวิชาการในปัจจุบันนี้ยังมีแสดงว่าร่างกายของคนเรานี่หรือของสัตว์เดรๆฉานก็ตามที่ดูใหญ่โต ดังที่ปรากฏอยู่นับตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาจากคันของมารดาหรือแม้ว่าก็เกิดขึ้นในคันของมารดาแล้วก็ตามเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีช่องว่างอยู่มากช่องว่างในระหว่างธาตุดินน้ำไบลมนี่เองถ้าจะยุบช่องว่างคือนำเอา ธาดดินน้ำไฟลมที่มีอยู่นี้มาอัดให้รวมเป็นก้อนจริงๆโดยปราศจากช่องว่างทั้งหมดแล้วร่างกายอันนี้ดันเล็กลงเหลือนิดเดียวเท่านั้นดันเล็กมากราะฉะนั้นที่ดูโตใหญ่ อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นี้จึงโตใหญ่ด้วยช่องว่างอาจจะเปรียบได้กับลูกโป่งที่เมื่อเป่าลมเข้าไปแล้วก็ทําให้ลูกโป่งโตมีช่องว่างอยู่ในลูกโป่งนั้นมากแต่เมื่อนําเอาลมออกก็จะแฟบเหลือเล็กนิดเดียวเพรดฉะนั้นแม้ว่า ช่องว่างอันเป็นอากาศสะาัในร่างกายนี้จะไม่มีอะไรกาหนดในตัวช่องว่างเองแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่และอาจกาหนดได้ได้ขอบเขตของช่องว่างเป็นต้นวันนิ้วมือของคนเรามีห้านิว้วที่เป็นห้านิ้วได้ ก็เพราะมีช่องว่างอยู่ในระหว่างนน้วทังขานี้จึงแยกเป็นขานิ้วได้ถ้าไม่มีช่องว่างอยู่ในระหว่างทั้ง5านิ้วนี้หานิ้วก็จะติดเป็นพืชอันเดียวกันไม่เป็น5านิ้วะฉะนั้นจึงอาจกำหนดได้ที่ขอบเขตของช่องว่างแต่ละแห่งในร่างกายอันนี้ ที่ทำให้ส่วนของร่างกายอันนี้ที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนั้นแยกจากกันเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะตรัสอย่างละเอียดจึงได้ตรัสเติมธาตุที่ห้าคืออากาศสุท้ายคือจองหว่าง้น อ, อีกแห่งหนึ่ง จรัสสอนใ้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุคือแยกธาตุกายนี้ออกไปนังนี้เป็นเครื่องทำลายสงบระงับวิจิกิจฉาคือความเครื่อแพรงสงสัยเพราะว่าความเครื่อแพรงสงสัยทั้งหลายนั้นบังเกิดขึ้นเนื่องมาจากมีตัวเราของเรา ยังมีความสงสัยในตัวเราของเราว่าในอดีตเป็นมาอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรต่างๆแต่ตัวเราของเรานี่ก็เป็นตัวความยึดถือที่บังเกิดขึ้นจากก้อนกายอันนี้ยึดถือในก้อนกายอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา ดังเช่นว่าก้อนกายทั้งหมดนี้เมื่อยังไม่แยกว่าเป็นอาการส่วนไหนก็รมิมก็รวมเรียกว่าเป็นตัวเราดังที่เรียกว่าอัตภาพความเป็นอัตตาตัวเราแต่เมื่อแยกเป็นส่วนๆออกไปก็เป็นของเราเป็นมดตาของเราหูของเราจมูกของเรา ดังนี้เป็นตน้นรวมเข้ามาก็เป็นตัวเราและเมื่อมีความยึดถือดังนี้ก็มีความยึดถือในบุคคลอื่นเป็นตัวเขาเป็นของเขาเช่นเดียวกันดังนี้เรียกว่าอัตตสัญญาความสําคัญหมายว่าตัวเราของเราซึ่งมีอยู่ในทุกๆคนเพราะฉะนั้น จึงได้มีวิจฤกิฉาว า, วามเรือแพร่งสงสัยต่างๆอันเกี่ยวกับตัวเราของเราตัวเขาของเขาดังที่กล่าวมานี้แต่เมื่อมาพิจารณาทำกรรมฐานข้อธาตุกรรมฐานคือแยกธาตุออกไปอันหมายความว่ากระจายก้อนกายอันนี้ออกไปเมื่ออันที่จริงนั่น ก้อนกายอันนี้อันเป็นยึดถือดังกล่าวนั้นไม่มีมีแต่เป็นธาตุดังส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนที่เออบอาบเล้วไหลก็เป็นธาตุน้าดังนี้เป็นต้นเท่านั้นพิจารณาไปจนธ า, ญญ า, า, า, า, านตุสัญญาความสาคัญหมายว่าธาตุมันเกิดขึ้นอัตดสัญญาความสาคัญหมายว่าตัวเราของเราก็จะหายไป เมื่อเป็นดังนี้จึงสงบความเครื่อนแพร่งสงสัยต่างๆอันเกี่ยวกับตัวเราของเราเสียได้เพราะเมื่อไม่มีตัวเราของเราอันเป็นที่ตั้งแห่งความเครื่อแพร่งสงสัยแล้วความเครื่อแพร่งสงสัยต่างๆก็ไม่มีที่ตัง้งก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นจึงได้ยกเอาท่าตัวกรรมฐานดังกล่าวนี้มาเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับที่จะกําจัดวิจิตรช้าความเคลื่อนแพรงสงสัยสงบวิจิตรช้าคือความเคลื่อนแพรงสงสัยเหล่านี้เป็นกรรมาฐานแต่กรรมาฐานที่ตรัสสอนนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตั้งจิตอยู่ในฐานของกุศลทั้งหลายระงับดับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส ท, ที่เป็นตัวนิวรณ์ทั้งหลาย และสงบตัวในวรนทั้งหลายเสียด้วยเป็นการตรัสสอนให้ปฏิบัติพัฒนาความตั้งใจมั่นที่มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดานี้ให้เป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิสมาธิชอบขึ้นมาและเมื่อได้ใจที่สงบดังนี้แล้ว ก็ น, น้อมกิจที่ใจสงบนี้ไปเพื่อรู้เพื่อให้เกิดปัญญาจึงได้ตรัสสอนให้อบรมปัญญาต่อไปโดยให้น้อมกิจที่สงบนี้มากำหนดดูนามมารูปอันนี้หรือว่ากำหนดรู ป, ปกายออกเป็นธาตุดังที่กล่าวนั้นและว่าการกำหนดธาตุดังนี้กล่าวนั้นเพียงแต่เพียงรูป เพียงแต่กำหนดรูปประกายแยกออกเป็นธาตุแม้ว่าจะเป็นทางปัญญาเหมือนกันแต่ก็เป็นปัญญาในขั้นสงบปิจิกิจชาเพื่อให้ใจสงบปิจิกิจชายังไม่ถึงกับจะทำให้สงบความยึดมั่นถือมั่นที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้โรกคนเรานี่ ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกมากหรือว่ามีแน่นฝังแน่นอยู่ในจิตใจส่วนลึกเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้จริงจึงมีตัณหาความริษนรนทยานอยากมีอุปาทานคือความยึดถือมีกรรมคือการงานที่กรรมต่างๆอันเนื่องมาจากความยึดถือนั้นรังะฉะนั้น จึงมีความยึดถือในตัวเราของเราทั้งทางร่างกายทั้งทา ง, ท ง, ทงใจเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาที่ได้มาจากจิตใจที่สงบนี้มากำหนดพิจารณาแยกกายใจนี้ออกไปเป็นขันธ์ห้าคือเป็นรูปประขันธ์กองรูป เวทนาขันกองเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันกองสัญญาคือความรู้จำหมายจำรูปจำเสียงเป็นต้นต่างๆสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่างๆไปตามความจำปรุงดีก็มีปรุงไม่ดีก็มีปรุงเป็นกลางๆ ก, ก็มีคือใจนี้เองปรุง เป็นสังขารและเมื่อตากับรูปประจบกันหูกับเสียงประจบกันจมูกกับปลิ่นประจบกันเล่นกับรถประจบกันกายและสิ่งที่กายจะช่องประจบกันมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ใจคิดมาประจบกันก็เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวิญญาณชนิดที่เรียกว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดหรือวิญญาณตายแล้วท่องเที่ยวไม่ใช่หมายถึงวิญญาณอย่างนั้นแต่หมายถึงเพียงความรู้ในเมื่อตากับหูเป็นต้นในเมื่อตากับรูปเป็นต้นมาประจวบ ก, กันเท่านั้น ดังที่เรียกว่าเห็นเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบโหดทัพภะคคือสิ่งที่กายถูกต้องและรู้คิดเรื่องทางใจเหล่านี้เรียกว่าวิญญาณคือเป็นตัวรู้ทั้งหมดเห็นรูปก็คือรู้รูปได้ยินเสียงก็คือรู้เสียง ราบกลิ่นราบรสทราบโลภคือรู้กลิ่นรู้รสรู้โลธภาคิดเรื่องราวทางใจก็คือรู้รู้เรื่องที่คิดนั้นเป็นตัวรู้จากนั้นเรียกวิญญาตัดสอนให้แยกออกมากายใจของคนเรานี่แยกออกได้เป็นห้าดังนี้แล้วเมื่อรวมเข้ามาแล้วกายก็เป็นรู ป, ปรกาย ประกอบขึ้นในธาตุสี่หรือธาตุห้าดังที่กล่าวมาแล้วส่วนเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็คือใจกายและใจนี้ประกอบกันอยู่ดังนี้ย่อเข้าเป็นกายและใจกายก็เรียกว่ารูปใจก็เรียกว่านามดังที่เรียกสันวนน่านามรูปก็คือรูปนามนั่นเองแต่ว่ากลับเป็นเสื้อเป็นนามรูป ซึงเป็นคําเรียกรัตสอนในใช้ปัญญามาพิจารณาดูที่กายใจของตัวนี้ทุกๆคนและกำหนดให้รู้จักว่านี่เป็นรูปนี่เป็นนามคือเป็นเวทนาเป็นทัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณตามที่ปรากฏเกิดขึ้นในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย ประสบพบผ่านอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะคนเรานั้นต่างมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอะไรมีใจอยู่ด้วยกันจึงรับรูปเสียงกลิ่นรสพตภาและสิ่งที่ใจคิดอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้เมื่อรับแล้วก็เป็นวิญญาณ เเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณท้งอีกกำหนดดูให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรย่อเขาก็อะไรเป็นรูปอะไรเป็นกายอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามและก็กำหนดดูให้รู้จักว่ารูปนามที่เป็นไปอยู่นี่เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะแต่ว่า เป็นสิ่งที่ละเอียดในเมื่อกำหนดดูเทียบเคียงแล้วจึงจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ว่าเป็นเกิดดับที่มีสันลัิคือความติดต่อคือมีความต่อเนื่องเช่นหายใจเข้าเรียกได้ว่าเกิดหายใจออ ก, เ ร, กเรียกได้ว่าดับเป็นการที่สมมติเรียกเอาอย่างง่ายๆก่อนแต่ว่าเมื่อหายใจออกแล้วก็มีหายใจเข้าอีก ติดต่อกันไปเกิดดับอยู่ทุกขณะจริงแต่ว่ามีติดต่อมีเกิดต่อไปแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่อไปเป็นไปอยู่ดังนี้ยังทำให้มองไม่เห็นความเกิดดับมองเห็นในความต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันเหมือนอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับเพราะฉะนั้น จระตัดสอนให้หัดใช้ปัญญามองให้เห็นความเกิดดับของนา ม, มารูปดังนี้เรียกว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติทางวิปัสนาที่เรียกกันว่ามีปัสนาุนหรือวิปัสนากรรมฐานหรือทําวิปัสนาต้องการให้เห็นเกิดเห็นดับดังนี้ ไม่ใช่ไปเห็นอะไรอะไรอื่นต้องการในเห็นนามรูปหเห็นคันห้าว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะและเมื่อเกิดปัญญาเห็นได้เมื่อแวบหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการดีจะเป็นเครื่องทำลายความยึดถือว่าตัวเราของเราทำให้ จิตใจสบายปลอดปโปรง่งมีพลังใจเข้มแข็งไม่หวาดกลัวต่อพยาธิภยัยมรณะภยัยหรืออะไรอื่นเพราะเห็นความเกิดดับแล้วแม้ชั่วแว บ, บหนึ่งใจก็จะหายโรคใจทันทีคือหายโรคใจ หายจากความยึดถือเกี่ยวกาะหัวพันุ์อยู่กับกายใจนี้และจะทำให้โรคกายที่เป็นไปอยู่นั้นผ่อนคลายในวิสัยที่พึงเป็นไปได้ด้วยเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พัฒนาความสำรวมความตั้งใจ จากความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาดังนี้เพื่อผลคือความพ้นของใจจากความคิดถือเกี่ยวเกาะและความทุกข์ทั้งหลายฉะนั้นใสิกขานี้จึงเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอยู่เป็นประจำและทําให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป